จะเรียนทำตาค่ะว่าอสมมติว่าเรามีสติตั้งที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจค่ะขณะที่มีสติเนี่ยอเราสามารถคิดไปด้วยโดยมีสติได้ไหมคะก็ได้เนี่ยเราเราก็คิดแล้วก็พูดกันตั้งแต่ตั้งแต่เย็นค่ำเนี่ยก็พูดแบบมีสติเนี่ยก็เนี้ยก็รังคิดต้งพูดกันเนี่ยจะถามโต้อตอบกันเนี่ยตั้งแต่เย็นเยนค่าดึกเจนมาเนี่ยแล้วคําถามที่ไอ้แล้วคาพูดที่ว่า ผู้รู้ไม่คิดผู้คิดไม่รู้อ๋อก็รู <N <N <K <K <K <K ้อยู่ไงผู้รู้มันคิดไม่ได้มันได้แต่รู้ว่าข้างในใจเราเนี่ยคิดอะไรผู้รู้ไม่คิดผู้คิดไม่รู้คือมันมันอผู้รู้เนี่ยมันคิดไม่ได้มันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมันธรรมชาติมันสร้างมาให้ได้แต่รู้เหมือนในร่างกายเปรี่ยนมาอย่างนี้ในร่างกายเราเนี่ยมันมีสามอย่างคือร่างกายส่วนที่เป็นกายเนื้ออ่หมอก็ต้องรู้แบบเนี้เรื่องธรรมดาเลยร่างกายเราส่วนที่เป็นกายเนื้อแล้วหมอทุกคนก็รู้ว่า ร่างกายเนี i. I ่ยแม้แต่คนธรรมดาทั่วไปเห็นว่าร่างกายนั้นไม่เที่ยงมันก็ค่อยๆผุพังสลายไปวันนี้ไปคุยก็ัอหมามโอ๊ตออกมายืงนอกเลยเป็นทาเครื่องสแกนลงตาไปหมอตากลาช่วยทําสแกนหัวใจอ่ะเห็นทีได้ยินคนไข้เขาทำเดี๋ยวเสียงหัวใจเต้นบูบบบบบบบบบบบออกมาคุยกับมอโร่างกายมันเหมือนโรงงานเลยว่ะคือมันเป็นโรงงานเลยมันดังบูบบบบบบบเสียงเครื่องจักรทำงานมันเหมือนไดูดูในจอแล้วมันเหมือนเครื่องจักรทางานเลย แล้วมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปแล้วก็บอกว่าแล้วจริงของเราบอกแก่แล้วบอกว่าสนิมมันเกาะคือสนิมมันเกาะลิ้นหัวใจทำให้ปิดไปสนิมเอ้ยร่างกายเราก็มีสนิมเกอะเหมือนเลยคือแคลเซียมเออมันเกาะเดี๋ยวก็มันก็ซูดโซมไปเดี๋ยวก็ไปตรวจตรงโน้นตรวจตรงนี้ก็เราเป็นยังไงอว่าลูกตาก็ไม่เป็นลายตุกภาพแข็งแรงแต่เสื่อมตามสภาพเห็นไหมเสื่อมตามสภาพก็เหมือนกับรถยนต์นะมันก็ใช้ไปก็ซ่อมแต่ซ่อมยังไงอะ ก็เป็นรถเก่าอยู่นแน่ๆรถห้าปีซ่อมก็ยังรถเก่าห้าปีรถต่อไปสิบปีซ่อมมันก็ยังเป็นรถเก่าสิบปีแต่อะไหล่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่มันเก่าสิบปีรถยี่สิบปีมันเริ่มวิ่งอะไหล่ล้วงล้วงลวงเริ่มเริ่มหลุดลุ่ยอย่างเงี้ยร่างกายคนเราก็เหมือนกันมันรถเก่าย์นี้และใที่สุดหมดไปนี่คือยอมรับทุกคนยอมรับอ่ะนี่คือส่วนที่ร่างกายไม่เที่ยงสองส่วนจิตใจที่ไม่เที่ยงคือ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคื อ, ค, อความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแม้แต่การรับรูต้ต่างๆจมริตกใจก็ไม่เที่ยงพอร่างกายตายหรือว่าทุกขณนาปัจจุบันเนี่ยมันจากไม่คิดก็คิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจากไม่มีอารมณ์ก็มีอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ดับไปอารมณ์แม้แต่สุข แ, แล้วก็เปลี่ยนไปสบายใจเด้วก็ไม่สบายใจคิดดีเดี๋ยวก็คิดไมด่ดีเดี๋ยวคิดบุญก็คิดบาปคิดกุศลอกุศลมันก็จะหลับสลเปลี่ยนไป เกิดแล้วก็ดับจากไม่มีเป็นมีขึ้นมาแล้วก็ดับไปจากอารมณ์ไม่มีอารมณ์ก็มีอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ดับไปจากความคิดไม่ได้คิดขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปมันจะสลับไปเงี้ยเดี๋ยวสุขก็เปลี่ยนไปทุกทุกก็เปลี่ยนไปสุขอาการทั้งหลายไม่เที่ยงสลับเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยนี่เป็นของไม่เที่ยงจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปเกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วดับไปสู่ความไม่มีเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอาการมันแต่แรกแล้วก็ดับไปสู่ความไม่มีนี่เราเราที่ยอมรับกันใช่่่มนนีสวอไ ส่วนหนึ่งคือร่างกายส่วนหนึ่งคือจิตใจที่เกิดเกิดดับดับเกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็ดับไปในความไม่มีส่วนที่สามใครเป็นคนรู้ล่ะ ว, ว่ามันมีการเกิดดับมาจากความไม่มีมาสู่ความมีถ้าเราสังเกตให้ดีๆมันจะมีผู้มารู้น อ, อีกอันหนึ่งมาลุ้ร่างกายมาลุ้จิตใจว่าจิตใจเนี่ยมันมี เกิดขึ Ginsburg. ้นมามีอาการเกิดขึ้นมาจากความไม่มีมาแต่เดิมแล้วก็ดับไปสู่ความไม่มีเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปสู่ความไม่มีไอ้สิ่งที่เกิดดับเนี่ยมันก็คงเกิดดับเกิดดับแต่ไอ้ผู้รู้เนี่ยมันไม่แสดงกริยาการไม่ไม่ปรากฏตัวตนเลยมารู้ว่ามีอะไรเกิดดับแต่มันมีแต่ปรากฏว่ามีกริยาการเกิดขึ้นจากความไม่มีระดับไปในความไม่มีเกิดขึ้นจากความไม่มีระดับไปในความไม่มีแต่ผู้ที่มารู้ว่าในจิตใจเราเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไอ้ผู้รู้เนี่ย ไม่เคยมีใครเห็นตัวตนเลยแม้แต่หมอที่ทํางานผ่าตัดมาเนี่ยหมอผ่าตัดเจอแต่กายส่วนจิตใจที่มีความรู้สึกนึกคิดลงอ่ะตอนจะตายเนี่ยสามารถเอาไอา้เอครื่องมือมาจับได้ใช่ไหมเอามือมาจับแล้วก็มีจอมอนิเตอร์ที่อยู่หัวเตียงอ่ะมันก็จะจับเป็นขึ้นมันยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ตืตือตือ ต, อ ต, อตอเืเป็นการาฟขึ้นขึ้ น, น, น, นลงลใช่ไหมแต่พอตายแล้วเนี่ยไอ้เซ้นการาฟอ่ะ และหายไปเป็นเส้นเดียวหมอทุกคนก็นรู้ใช่ไหมในคนไข้ก็รู้เป้าใไข่ะเนี่ยคือตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ความรู้สึกนึกคิดมันก็เอาขึ้นมาจับได้เอาเอาอะไรอะไรอะไรอะไรนั่นที่หมอทําเหมือนกับไอ้ขึ้นเขาจับอะไรเนี่ยเอามาจับที่ตัวใช่ไหมแล้วก็มันก็สามารถจับได้ว่ามันมีมันใส่แจ็คจอมอนิเตอร์แต่พอตายแล้วขึ้นเนี่ยมันไม่มีแล้วไม่มีขึ้นลงมันหายไปเลยนั่นแหละไอ้ร่างกาจิตใจเนี่ยดับ แต่รู้เนี่ยมันไม่เคยเกิดไม่เคยดับเนี่ยไม่รู้ว่ามันคือใครไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ไม่ว่าเราเนี่ยจะไปแอบคิดอะไรในที่รับหรือที่แจ้งเราคิดอะไรเล็ก <S <S ๆ, ๆน้อยๆคิดดีคิดชัว่ว<ๆ>คิดบุญคิดบาป ค, คิดกุศลนักกุศลในที่รับในที่แจ้งแอบคิดอลไรในใจไม่เคยรอดพ้นจากรู้เลยถ้าเราเนี่ยมีสติคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติคอยสังเกตตลอดเวลามีสังเกตอะไรก็สังเกตตัวเราตลอดเวลาเนี่ย ไอตัวเราเนี่ยแอบคิดอะไรยังไงในใจตลอดเวลาเนี่ยไม่อาจรอดพ้นรู้ไปได้เลยนี่คือตัวนี้สําคัญนะที่มาของการฝึกกิจคือพระอาหารหันต์ทั้งหลายอยู่กับรู้นี่เนี่ยที่บรรลุอรหันต์ก็เพราะอยู่กับรู้นี้เนี่ยไม่ไปอยู่กับคิดไม่ไปอยู่กับห่วงใยร่างกายและไม่ไปอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่เอาไม่ไปอยู่กับสามีไม่อยู่กับภรรยาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานไม่ไปอยู่กับหน้าที่การงานแต่ทําทุกอย่างหน้าที่ที่ถูกต้องสมบูรณ์ แต่อยู่กับรู้อยู่กับรู้ที่ไม่รู้วามันคือใครด้วยไม่ปรากฏอะไรเลยมีแต่ความไม่ปรากฏอะไรอยู่กับรู้ที่ไม่ปรากฏอะไรนี่แหละรู้อะไรรู้ตัวเรานี่แหละรู้ตัวเราตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะทําอะไรจะกินจะยืนจะเดินจะนอนจะนั่งสบายใจไม่สบายใจมีความรู้สึกนึอคิดอารมณ์ยังไงคิดเล็กคิดน้อยคิดหยิมคิดหยิมจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บละเอียดปานใดคิดแอบคิดอะไรกับใครในที่รับที่แจ้งแอบคิดในใจไม่มีอะทัศนติไม่ขาดนะ ไอ้ผู้รู้เนี่ยมันรู้อยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเราก็ไม่รู้มันคือใครแต่เจ้าตัดว่ามันเป็นอะสลีลังอะสลีลังคืออะแปลว่าไม่สลีลังก็คือสลีละพวกเราเรียนเป็นหมอใช่ไหมสลีละสลีละรูปพันธสถานใช่ไหมมันไม่มีรูปพันธุ์สถานอะไรเลยไม่มีสว่างไม่มีมืดไม่มีดวงไม่มีก้อนไม่มีไม่มีขาวไม่มีดําไม่มียาวไม่มีสั้นไม่มีหนาไม่มีบางไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีอะไรเลย เป็นอาสรีลังคือไม่ปรากฏอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีกิริย า, าการใดๆเลยมีอย่างเดียวคือรู้รู้ก็ไม่มีอาการด้วยไม่มีอาการมามาเป็นรู้ไอ้ที่เราไปคอยจ้องรู้ไว้เราไปคอยดูเราไปคอยรู้ไว้แล้วเราก็ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดอันนี้ไม่ใช่รู้อันนี้เป็นตัวปรุงแต่งแต่ไอ้ที่รู้ตัวเราเนี่ยอันเนี้ยมันมีแต่รู้และตัวตัวมันไม่มีหลวงตาเลยเปรียบเทียบอย่างนี้วิธีปฏิบัติคือร่างกายจิตใจของเราเนี่ยร่างกายเราไม่ว่าจะทํา กิจการงานใดแม้แต่ปากกาลังพูดอยู่แล้วก็ใจก็คิดอะไรอยู่ตามแต่ในร่างกายเรามีสามส่วนคือร่างกายส่วนที่เป็นกายเนื้อกับจิตใจส่วนที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้แล้วก็มีรู้ไอ้รู้เนี่ยธรรมชาติมันสร้างมาไม่มีตัวตนแต่มันอยู่ในตัวเรานี่แหละมันทําหน้าที่คล้ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเนี่ยที่เขาแอบซ่อนไว้เนี่ยแอบซ่อนไว้โดยที่ไม่ ใ, ใครรู้เนี่ย มันเป็นกล้องที่ไม่รู้ไม่มีตัวตนปรากฏไม่เปิดเผยตัวตนไอ้นี่ยมันเป็นไอ้ผู้รู้เนี่ยที่อยู่ในร่างเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ไม่ปรากฏตัวจ้องไม่ปรากฏตัวกล้องเขาซ่อนไว้เป็นเป็นเป็นกล้องของสายลับที่มาซ่อนไว้แล้วไม่ปรากฏตัวกล้องแต่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเนี่ยมันรู้แต่ความเคลื่อนไหวของบุคคลของของรูปร่างแต่มันไม่สามารถรู้ความเคลื่อนไหวของจิตใจได้ แต่กล้องที่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเนี่ยมันไม่ปรากฏไม่ไม่เปิดเผยตัวกล้องไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยไม่เคยมีใครเห็นด้วยพระเจ้าจึงบอกว่ามันไม่มีตัวตนแต่มันรู้ร่างกายจิตใจเราตลอดเวลาไม่ว่าจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวเป็นร่างศาอย่างไรไม่ว่าในที่รับหรือที่แจ้งถ้าสติไม่ขาดสังเกตไว้ถ้าสังเกตตลอดเวลาจะรู้ตลอดเวลากล้องโทรทัศน์วงจรปิดเนี่ยและมันมีหน้าที่รู้อย่างเดียวแต่ถ้าคิดรู้แล้วคิดได้ เป็นตัวเราที่ถูกรู้รู้และคิดได้เป็นตัวเราที่ถูกรู้แต่ธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุหรือจิตดั้งเดิมมาแทนหรือใจดั้งเดิมมาแทนแต่ชื่อมันเยอะมากเลยเขาสมมติเอาเป็นพุท ธ, ธะเป็นชื่อพุชื่อชื่อมันเยอะแม้ไปต่างชาติก็เรียกไปอีกแต่มันคือธาตุรู้ที่เหมือนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทำหน้าที่รู้อย่างเดียวแทรกแซงไม่ได้ช่วยเหลือตัวเราไม่ได้ จะพยายามช่วยเหลือตัวเราจะคิดจะนึกจะตึกจะตองจะวิเคราะห์วิจารวิจัยช่วยเหลือตัวเราไม่ได้ไอตัวเราที่วิเคราะห์วิจารณวิจัยคิดนึกตึกตองได้ช่วยเหลือตัวเราได้เราไม่สบายพาตัวเราไปหาหมอได้เป็นตัวเราที่ถูกรู้เป็นขันห้าเป็นสิ่งปรุงแต่งไอเนี่ยเวลาตายแล้วร่างกายสายเ น, น่าเปื่อยบุพังไอสิ่งนี้ดับหมดไอร่างกายจิตใจที่มีอาการมีกิริยาการคิดนึกตองปรุงแต่งได้กระเพื่อมได้ที่ถูกรู้ทั้งหมดดับหมดนะแต่ไอรู้ที่ไม่ปรากฏตัวตนเหมือนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของสายลับที่มาซ่อนไว้เนี่ย แล้วรู้ตัวเราตลอดเวลาเลยแล้วรู้จิตใจด้วยอันเนี้ยเป็นอมตะเป็นธาตุรู้เป็นที่เป็นเรียกว่าอมตะธาตุ t, ไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกคือทําลายมีแต่ร่างกายร่างกายกับจิตใจที่ปรุงแต่งเนี่ยอันนี้ดับไปทุกชาติเปลี่ยนร่างไปทุกชาติแต่รู้เนี่ยธาตุรู้เนี่ยไม่เคยไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทำํำลายมีแต่เปลี่ยนร่างไปอยู่ในร่างใหม่เรื่อยไปแต่เราไม่คนไม่พบขอเท่านั้นเองเราเลยไม่สามารถอยู่กับรู้ได้ จนชาติได้ชาติหนึ่งมีคนมาสอนเราจนเราเนี่ยอยู่กับรู้ไม่มาอยู่กับร่างกายที่ถูกรู้ไม่มาอยู่กับจิตใจที่ถูกรู้อยู่กับรู้ที่มารู้ร่างกายจิตใจเราและไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้นั่นแนะจึงจะรู้นิพพานไปนแสดงว่าสมมติว่าในการทํางานนะคะเราต้องคิดคิดวินิจฉัยเราก็สามารถอยู่กับรู้ได้ถูกต้องไงเพราะว่าแม้แต่เราแอบคิดแอบอะไรในทางอากุศลอะไรเนีเยนะ่ยกับใครเนี่ย ก็สามารถรู้ได้ถ้าเราสติไม่ขาดก็คือทั้งคิดและรู้ใช่ถูกต้องและวางด้วยใช่ถูกต้องก็วางก็คือเพื่อว่าไม่ยึดอะไรก็จะเป็นรู้ที่ไม่ปรากฏตัวตนเมื่อเราปล่อยวางสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหมดจิ่งแกระเพื่อมที่ไหวตัวทั้งหมดมันก็เหลือแต่รู้ที่เป็นใจที่ว่างเปล่าว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากความปรุงแต่งที่กษัตริลพูดูนาตโลว่า รู้ของท่านเป็นไงที่บอกว่าอยู่กับรู้อยู่กับรู้รู้คือมหาสุญญตาคือจักรวาลเดิมว่างเปล่าไพศาลไม่มีขอบเขตไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีวงไม่มีดวงวิงวางเหมือนดั่งจักรวาลไม่ใช่ว่ารู้สึกว่ารู้รู้อยู่ภายในใจไม่ใช่รู้สึกว่ารู้อยู่ข้างนอกแต่เป็นความรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่ปรากฏอะไรเลยใจมีแต่กว่ามรู้ที่เป็นใจที่เวิงว้างว่างเปล่าหาขอบเขตไม่ได้ แต่อาการของเราตัวเราล่ากาของเราความรู้สึกนะึกคิดเราอะไรถูกรู้ตลอดเวลาปรากฏจิ่งที่ถูกรู้ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้เราจะพบผู้รู้นั้นได้ที่ท่านกล่าวว่าที่ที่ท่านตัดไว้ว่ามีกรณีเดียวเท่านั้นต้องปล่อยวางขันห้าเพราะขันห้าคือร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งปรุงแต่งต้องปล่อยวางขันห้าหรือละอุปทานขันหน้าจึงจะพบใจผู้รู้ได้ ที่ท่านกล่าวว่าพบใจพบธรรมถึงใจถึงพระนิพพานคือผู้รู้นี่เนี่ที่ไม่ปรุงแต่งนี่เนี่วิธีจะพบใจได้มีกรณีเดียววิธีเดียวคือสิ้นสังขารสิ้นหลงร่างกายสิ้หลงจิตใจที่บอกว่าโลกธาตุระเบิดรลดแต่ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางจิตใจทั้งหมดถึงเกิดโลกธาตุถึงระเบิดได้ก็พรปล่อยวางขันธ์อนี้เองปลวางร่างกายจิตใจส่วนที่ปรุงแต่งส่วนที่กระเพิ่มส่วนที่กระเพิ่มส่วนที่ไหวตัวสิ่งที่เกิดดับได้สิ่งที่ไม่เที่ยง ทุกปล่อยวางหมดจึงพบใจที่ไม่ปรุงแต่งโลกกระทะก็ระเบิดหมดเลยเหลือแต่ใจที่ไม่ปรุงแต่งวิธีเป็นวิธีเดียวนะต้องปล่อยวางขันท่าป่อยวางสังขารเรียกว่ารู้ด้วยความปล่อยวางเวลาเรานั่งสมาธิอะครับหลวงตาคือเวลาผมผมนั่งสมาธิพอจิต จิตมันมันสงบมันสงบแล้วทีนี้มันมันก็เหลือมันก็เหลือแบบตัวรู้อยู่ตัวหนึ่งที่ที่อยู่ที่อยู่ในความสงบนะครับคือรู้ตัวนี้ก็คือมันเป็นตัวรู้ของวิญญาณนักขันใช่ไหมครับหรืเป็นรู้ของวิญญนักขานเพราะว่าเราตั้งใจดีไอ้ตัวที่ว่าเราสงบเนี่ยไอ้ผู้ที่ว่ารู้ว่าความสงบคือตัวเราผู้ไปรู้ความสงบเนียันพูดได้มันพูดได้มันคิดได้มันตึกต่อมันพิภาคได้เออทำไมเราสงบแบบนี้เราปฏิบัติไมเคยสงบอย่างเนี้ย ไอ้ผู้รู้เนี่ยเป็นเป็นรู้แบบวิญญาณขลักฐานที่มันตึกต้องได้อันนี้เราต้องปล่อยวางปล่อยวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วปล่อยวางทั้งไอ้ผู้รู้ที่พูดได้คิดได้เนี่ยมันจรงๆเพรไอ้ผู้รู้ที่พูดไม่ได้คิดไม่ได้เพราะว่าตอนผมนั่งก็คือว่ามันก็คุยของมันคือคือมันมันสงบนะครับแต่ว่ามันก็คุยมันก็แบบเฮ้ยทางทางที่มันสมติแต่มันก็คุยคุยคุยอะไรของมันตลอดเวลาเลยแต่ไอ้ไอ้ผู้รู้ตัวใหม่ที่ไปรู้ว่าเราคุยมันก็พูดต่อนะเอ๊ะทำไมเราพูดเราพูดเยอะอย่างงี้ ไล่ผู้รู้ตัวใหม่ไปรู้อีกมันก็พูดต่ออีกมันจะไม่มีจบสิ้นนะวิญญาณขันเนี่ยมันต้องต้องเกิดดับแล้วมันพูดเกิดดับแล้วมาพูดมาคิดมานึกตลอดชีวิตของเราจนกว่าจะตายนะมันจะมีพู้รู้สองผู้รู้ไอ้ผู้รู้ที่เป็นวิญญาณขันเนี่ยมันจะรู้ตามทวานคือรู้ทางประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายพอรู้แล้วมันจะเอามาพาดเอามาพูดเอามาวิเคราะห์เอาเขามาวิเคราะห์อยู่ในใจเราตลอดเวลาอันนี้อันนี้ไม่อันนี้มันจะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยคือว่ามันต้องรู้ต้องคิดต้องรู้ต้องพ แต่เราหลงไปกับเขาไม่ได้ถ้าหลงไปเขาเราหลงเลย ท, ลลที่บอกว่าหลงหลงที่บอกกับหมอประการัฐที่บอกว่าหลงหลงไปกัรูปไอ้หลงกไอ้ตัวนี้เนะี่ยไอ้ตั้งรู้ตั้งคิดแต่ยรู้อะไรแล้วกับคิดพูดไปเรื่อยภาพไปเรื่อยเนี่ยแล้วก็หลงไปกับความคิดเหล่านั้นนะอันนี้คือหลงแล้วก็เราหลงหลงหลงมดเราจะต้องมาเป็นรู้เราจะพบว่าไม่หลงไปกับไม่หลงไปกับไอ้ความคิดอารมณ์ต่างๆมันจะมาเป็นรู้ที่ไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏตัวตนแต่เรามจะดับจะไปดับไอ้ไอ้รู้ที่เป็นรู้ตามทวาร่างๆตาหูจมูกจีใจแล้วมาคิดมาพูดดดมมาาาาาพเเเรรจะะไไไปปับข้้่่ววชีิต แต่ถ้าเราเนี่ยปล่อยวางปล่อยวางตรงไอ น, น, นวิญญาณขันนี่จะวิญญาณขันที่เราไปรูอะไรแล้วมาพูดอยู่ในใจตลอดเวลาเนี่ยเราปล่อยวางรู้ได้ความปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไม่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นสัต่วารู้สัแตวารู้เรื่อยไปจนท้ายถ้าเราปล่อยวางสังขารทั้งหมดมันจะไปพบผู้รู้ที่ไม่สังขารก็คือเราก็ทําในรูปแบบของเราไปถ้าถ้าเรานั่งสมาธิอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ได้แต่แต่เรามีมีเวลามีโอกาสเราก็นั่งั้งเดินถ้าเรามีเวลานั้นแต่เราไม่มีเวลาเราก็ ทำในขณะปัจจุบัน<ข>ทุกขณะปัจจุบันเนี่ยจะเวิร์กกว่ า, า, าถ้าว<ข><ข>่าคน<ข>ชอบไปทําแค่ตอนนั่งสมาธิออกมาแล้วฟุ้งซ่านสู้ปฏิบัติตลอดผูผ้ปฏิบัตบิตลอดเวลาไม่ได้มีมตสติสับตะรู้ตัวเราตลอดเวลาไม่ได้ตัวใหญ่ไปเน้นเอาเวลาทําแค่เวลานั่งกดินจงโกมันแป๊บเดียวก็หมดเวลาแล้วแล้วแป๊บเดียวก็ทำได้ไม่นานฟุ้งซ่านสู้สับตะรู้ตัวเราทุกขณะปัจจุบันอันเนี้ยดีกว่าเร็วด้วย เราตาเกดดีนะมันไอ้ไอ้รู้มันเหมือนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอะไม่มีความอยากไม่ได้ไอ้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดมันได้แต่ทําหน้าที่รู้อย่างเดียวแทกแสงไม่ได้อยากไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันอยากไม่ได้ถ้าเรารู้แบบซื่อที่ไม่ทั้ไม่ดูดไม่ผักแค่สักตะวะรุมันจะเป็นรู้รู้ที่เป็นธรรมชาติแท้ๆที่เป็นธาตุธรรมชาติของธาตุรู้แต่แท้ที่ทั้งไม่ดูดไม่อาจจะดูดได้ไม่อาจจะผักได้จะได้แต่แค่สักตะวะรุเออเออเนี้เอาหม้ไปให้ ถ้าอย่างนี้คือขอแค่มีสติตั้งมั่นใช่ไหมคะก็จะสามารถรู้แล้วก็ปล่อยวางได้ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าถ้าจะเสื่อมก็คือเสื่อมเพราะขาดสติใช่ไหมคะถูกต้องเลยอันเนี้ยเ น, นี่ยคําพูดคือคําพูดที่ปุตตะเจ้าหรือพ่อแม่ครูาอาจารย์ได้พูดไว้สติอันเดียวฉะนั้นสติอันเดียวอันถ้าสติไม่มีจะหมดเลยทุกอย่างเพราะว่าสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่น สติอยู่ไหนความรู้อยู่นั่นถ้าสติมารู้ร่างกายจิตใจตัวเองอ่ะสติมาอยู่กับร่างกายจิตใจตัวเองอ่ะความรู้มันจะรู้เรื่องเรื่องของตัวเองตลอดเวลาสติอยู่ไหนความรู้อยู่นั่นความรู้อยู่ไหนสติอยู่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันสติอยู่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ไหนสติอยู่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันถ้าเราเนี่ยทุกวันปัจจุบันเนี่ยสติมันสังเกตดูร่างกายจิตใจเราตลอดเวลาความรู้ก็จะรู้เรื่องร่างกายจิตใจตลอดเวลาถ้าเราสัตว์ตะวัรู้ไม่ดูดไม่ผััดแค่ตตวระะู้ก็็จเปน ธรรมชาติของธาตุรู้ที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เพราะธรรมชาติของธาตุรู้เนี่ยเขาไม่อาจดูดได้ไม่อาจผักได้เขาเกิดมาเพื่อสักแต่ว่ารู้หลวงตาครับถ้าถ้าต่อต่อจากที่คุณหอพูดถ้าอย่างนี้ตัวในที่สุดเนี่ยตัวสติที่อยู่กับผู้รู้ที่เป็นวิญญาณขันเนี่ยถ้าเราปล่อยวางได้ ปล่อยวางวิญญาณขันได้ตัวสต Stan ิตัวนี้ก็คือไปรู้กับตัวจิตเดิมเนี่ยว่าผู้รู้ใช่ใ่พ่อยเพระปล่อยวางไปหมดแล้วเลยไอย้สติเนี่ยสติที่ใช้เป็นมาคอยรู้เนี่ยมาคอยสังเกตรู้เนี่ยมันจะมันจะหายไปเพราะว่ามั น, ม, นมันไม่ต้องมันมันรู้จะปล่อยวางหมดแล้วติที่ใช้เป็นมาคอยรู้เนี่ยมาอยสังเกตรู้เนี่ยมันจะมันจะหายไปเพราะว่ามันมันไม่ต้องมันมันรู้จะป่อยวางหมดแล้วจะป็นใจที่วางเปล่าแล้วแล้วทุกอย่างไม่ติดอยู่ในใจคือมันเหลือแต่ใจที่วางเปล่าแล้ ว, แ ล, วแล้วทุกอย่างไม่อาจติดอยู่ในใจเหมือนกับว่า ไปกลายเป็นใจที่เหมือนนกบินไปในอากาศแล้วไม่ติดอยู่ในใจได้รูปรถกินเตียงัมผัดทำอารมณ์เหมือนกับที่ผ่านมาแต่ละขณะดจิตเหมือนนกบินผ่านไปในอากาศแล้วไม่อาจติดอยู่ในใจได้อากาศนั่นก็เปรียบเหมือนใจที่วา่างเปล่านั่นแหละเมื่อเขาถึงใจที่วา่างเปล่าแล้วนกก็ไม่ความรู้สึกนกิดอารมณ์เหมือนนกที่บินผ่านมาแล้วไม่ติดอยู่ในใจไอ้สติที่ต้องมาคอยรู้มันก็ไม่ใช่แล้ว มันมันเป็นไอสติเหมือนกับไอสติสมาธิปัญญานไอใจนั่นน่ะมันเป็นอยนะะู่ในนั้นหมดแล้วมันไม่มีแล้วสติที่เป็นขันห้าสมาธิปัญญาก็เป็นขันห้าที่คอยบันทึกไว้มันไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่ามันไม่ไม่หลงแล้วมันไม่ไม่มีโอกาสหลงต่อไปมันเป็นใจที่ว่างเปล่าแล้วมันก็เลยกลายเหมือนกับรอยเท้าที่เหยียบไปในอากาศหรือนกที่บินไปในอากาศไม่อาจติดอยู่ในใจได้มีอะไรเกิดขึ้นมากระทบเข้ามาแล้วก็เกิดมีอาการขึ้นมาแล้วก็ดับไป เหมือนก va, ับ น, น, ก น, นกที่บินผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนกที่บินผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจก็คงเป็นความว่างเปล่าตลอดกาลไม่เหลือร่องรอยอะไรไว้ในใจคือไม่ติดลักไม่ติดชังไม่ติดลักไม่ติดชังอันนั้นนะหมดแล้วสติสมาธิปัญญาในขันห้าไม่ได้มาใช้แล้วที่พระเจ้าตรัส ว, ว่าสติสมาธิปัญญาในขันห้าที่อมาใช้เหมือนเรือข้ามฟากไปพานิพานพอสิ้นยึดแล้วเป็นพานิพานแล้วก็ขึ้นฝั่งแล้วไม่มีใครแบกเรือไปด้วยที่ท่านกล่าวเรือนั่นก็คงปล่อยไว้ปล่อยทิ้งไป เหลือแต่ผู้ที่ขึ้นฝั่งพันิพานไปคือคือผมได้จากที่น้องหลินอ่ะเขาวาดรูปเรือแห่งสติอ่อาเรือแห่งสติอะนะที่เป็นวัดวัดรูปอันแรกที่เป็นเมฆแล้วก็มีดวงจันทร์มีอาทิตย์ดวงจันทร์แล้อีกรูปหนึ่งที่เป็นลูปกเขาเขียนว่าเรือสติเนะี่ยมันพลิกความคิดได้ทันทีเลยผมยังงงว่าพลิกความคิดได้ยังไงถ้าเด็กก็ไม่รู้อายุเท่าไหร่คนนะั้ วา่าอายุต้องไอ้มันอะไรนะอเด็กที่มันวาดภาพอ่ะชื่ออะไรนะหลินนะเด็กทีนวาดภาพชื่ออะไรวะอะชื่ออะไรม่รอายุไม่กี่ขวบมปะน่าจะเจ็ดขวบ <Later. S 3> เพรา ะ, เ, ราะาเขารู้ซื่อๆอย่ามันเจ็ดขว บ, ขวบเขารู้แบบเด็กรู้รู้ซื่ออืมไม่รู้มันมันว่มามันรู้เอาเอาเอาความรู้จากใจอ่ะออกวาดออกเป็นภาพสื่อได้เก่งมากเขาวาดภาพเมฆไม่ติดอยู่ในพระอาทิตย์พระจัน์ เป็นแค่อุปกลเรจจรมาไปข้างข่าวแล้วผ่านไปไม่ติดไม่อาจติดอยู่ในพระาทิตย์พระจันทร์ได้แล้วหลวงตาครับในที่สุดนี่ก็คือที่หลวงตาบอกว่าถ้ามันโรคกระทแตกเนี่ยมันก็คือการปรุงแต่งนี่มันก็หมดไปแล้วก็ก็เหลือแต่สติ เราจะอยู่กับรู้ไม่มีอะไรสติไม่มีอะไรแล้วตอนนี้อ๋อตอนนั้นสติก็อ่กแม่ครูวาจารบอกอยู่กับรู้อยู่กับรู้เนี่ยอ๋อครับอยู่กับรู้อย่างเดียวแต่หลังท่านอยู่กับรู้อยู่กับรู้น่นคือมันเบ็ดเสร็จเหมือนนั้นแหละเป็นสติตรรมที่ปัญญาแต่ไม่ใช่เป็นสติตรรมที่ปัญญาในขันนาแหละเป็นธรรมชาติอเป็นธรรมชาติแท้อยู่กับรู้คือมันพ้นเนี่ยอันนี้มันพ้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาไปแล้วครับไม่มันเลยแล้วพออยู่กับรู้แล้วมันเลยอนนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วคือไม่ยึดอะไรไม่ต้องบอกไม่่องนแลลเคียกปป็ื เป็นพระอรหันเป็นนิพพานที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วคือถึงจะทําท่าขาดสติยังไงก็ตามไม่มีไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนะไม่สามารถจะทําท่าขาดสติทํำยังไงก็ตามไม่อาจจะเป็นไม่อาจาจะทำให้นิพพานไม่เป็นนิพพานเองเพราะว่ามันเป็นถาวรอ่ะอันนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจาเปลี่ยนแปลงครับผมจ้าถูกมาสักการณ์หนึ่ครับ คือสมมุติว่าในจังหวะฉุกเฉินนะคะหรือว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยค่ะสมมติว่าให้จิตเนี่ยเข้าไปอยู่ในรู้แบบนี้คือจะไม่ต่อสุดท้ายของชีวิตเนี่ยถ้าทุกข์กนาปฏิบัติอยู่กับรู้แล้วมันตอนตายมันก็อยู่กับรู้แล้วมันทิ้งไอ้ไอ้สังขารร่างกายที่ปรุงแต่งไอ้ความรู้สึกหรืคิดอารมณ์ที่ปรุงแต่งมันจะมันจะไม่ไม่ไปยุ่งไม่มีใครไปยุ่งกับมันอ่ะมันในพวกนี้มันจะเหมือนนกบินไปในอากาศไม่ติดอยู่ในใจเลย ก็อยู่กับใจที่ีมแตู่้เราอยู่ในช่วงที่ยังไม่สามารถรู้ได้ตลอดทุกขณะจิตอย่านั้นต้องมีสติไว้มีสติแล้วก็ปล่อยวางปล่วางแล้วก็รู้สังขารทั้งมวลตลอดเวลาปล่วางสังขารขณะปัจจุบนันทุกขณะปัจจุบนันคต้องทิ้งสติไม่ได้ถ้ายังไม่นิพผ่านไม่ใช่ว่าพอที่ผ่านแล้วเราไปเจตนาทิ้งสตินะคือมันหายไปเองอไม่ได้ใช้เอง ได้คือคือพอดีเลยสงสัยว่าทําไมถึงเช้าที่เขาใหญ่ะเพราะว่าพอแต่ละคนเนี่ยพอฟังพอเราเข้าใจมันก็จะมีตัวมันต่อเนื่องไงฮะแต่ละคนก็จะถามเออคนที่ถามก็เข้าใจคนนี้ก็เกิดมันต่างคนต่างปฏิบัติกันมาเยอะแล้วไงมันก็เลยแย่งหม่กันไปแย่งหม่กันมาอย่างเงี้ยก็เหมือนอย่างเงี้ยหมอคนละใจเออแต่ตอนนั้นเราบอกว่ายังไม่แก่ไง ครับเอาอยากแยกกันไปต่อกันไปต่อมาทุกคําถามมีคำตอบแล้วก็นั่งเนี่ยนะแต่ในตอยึ้งมันไเลยถึงอันนี้ประธานคน้่างชาตใหญ่ไม่หยุดต่อเทียไปถึงเช้าเพราะว่าแต่ละคนก็ไปพอมันมันมันหลุดแต่ละคนเป็นเปาะๆไปอ่ามันก็คนเลยเอาตรงนั้นมาถามต่ออันนี้มันก็กิดปิ้งปิ้งกระทรงอธิบดีถามต่อไอ้คนมันหลุดไปปึ้งไอ้ก็ปิ้งต่อปิ้งต่อที่ก็เลยไม่ใหม่ไม่หยุดเลยตอนเนี้ยครับออันนี้เข้าใจแล้วว่าก็เลยถึงตวาแต่ตอนนั้นหลวงตาไม่ไม่ไล่กลับเพราะว่ามันยังหนุ่มอยู่ เมื่อกี้ผมขับรถมามีรถติดจิตมันรู้หมดเลยฮะอาจารย์พระอาจารย์ผมก็งงเลยตอนนี้ขับมารถติดเอ๊ยจิตนะมันมันแต่ไม่ได้ขับเร็วนะขับมาในตลาดเนี่ยจิตมันมันไม่เคยเป็ดเลยฮนะไม่เคยรู้ก่อ น, อนเลยจิตมันก็เรียนรู้ว่าเอออันนี้นะเราเราเรารีบอยู่นะเรากําลังจะไปอย่างเงี้ยจิตมันก็รู้เออนี่เราหุดหงุดนะมันเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่า เมื่อก่อนผมไม่รู้ว่ามันภาคอยู่นะแตกวันเนี้มันภาคทั้งวันไม่ยังงงเลยว่ามันเพิ่มเริ่องดูแล้วหนแตติไม่ขาดแล้วพักทั้งวันแหละทั้งคืนยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะถ้าไปหลับมันพักทั้งวันเลยเนี่ยเราตีมันพักทั้งวันหลับก็พากแต่เราตติมันขาดเลยไม่รู้อื แต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ภาคแล้วมันภาคแต่เราสติขาดไปเลยไม่รู้เพราะว่าสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่นั่นนะความรู้อยู่ไหนสตินั่นสติกับความรู้อยู่ในการพอเราสติขาดมันเลยหลับไปแล้วสติมันขาดเลยความรู้ไม่มีแต่ภาคมันยังภาคอยู่ในใจแล้วยังฝันได้ไงเราไปฝันโน้นฝันนี่มันภาคอยู่ไปฝัน